พลังสคัญอยู่ไปเฉยทั้งคนเพื่นก็มาหน้ามนตายเหมือนันเนกว่โมันยังนั่งมันจะเล่นนนั่งง่ายนด้วยนะฝนไว้นานน่เหมือนแก่อนนั่งสบายๆคืนตึ่มืนนั่งเพราะมัมดบาวันเขาขึ้แล้วนั่ง นันหนึ่งก็ที่ยวตามัดอีแต่ไปท่านหนาวๆบ้างไหมไปไกลไหมขึ้นหาสบายสบายเฮ้ยเออเรื่องเรื่องครับขัสบายสบายทุกการแล้วกัน เรือมันเหวียแน่นจริงๆไม่มีอะไรที่ยอมยากยิ่ง่าทำกับเรือไม่ทันมันสิสำคันคิดมันตุ่มไปเลยไม่ทันพอเจอรื่ยหล่ามันเอามาแเป็นเป็้เขาไฟกองเขา ไม่ลืมแ้ระั่งเริ่อมแรกออกปฏิบัติมาเป็นน้ำหนักเป็นน้ำตาจนกระทั่งปัจจุบันมันดูกระปิดไม่ทราบดื่มอมันเป็นของจริงเป็น จ, ะ จ, ะจะกกัตุรนสแต่โยงมลกุการตลอดตัวดวนวันนีนเกิดคาแล้วพลันม่เอาไหนไมไ่ว่าเสียเปิดคาแต่ว่าเรื่อง ยังไงอ่เน mm. mm. ี่ยยิ่งเนยิ่งนเดก็สามยิ่เป็นอล่างเาอะไรปูกอะไรประดับพราตุหูทำสสวยงามไปดูมันจะตเาสีเนี่ยก็หมุนอิดปูนทายเนาะเล็กนะ มันรู้เสนะมาทานยี่ห้อไหนก็สวยๆงามรู้ด่าก็สีเนี้ยมันไม่เด้จกนั่งไปต่อไปไหนมันก็มาเท่าเดิมเิ่มมันไม่ลืมันตรงนี้จะเริ่มที่ไหนท้านจะเริ่ที่จิตนีวะ่ มันทุก <imir> ที่ไหนทำให้ทุกที่จิตทุกที่ไหนทำให้ทกที่ิเนียมันดินมันยันมันอยู่ตรงนี้เสีมันมีเครื่องยันอย่นี้ถูกแล้วี่ไหนต้องหมุนี่วา่เหล่นั้นเขาก็ดูการพของเขาคนะส่งเสริมเราให้มีความสุขได้ที่ไหนนอกจากมีความกังวลตแบบไปหาเขางความมั่นถึงมั่นทุกขัต่างๆอันเป็นเรื่องของทีเด็กเขาเอาตเองานั้นไะ คิ่มันเต็มมากๆอย่านี้เห็นมันอะไรสร้างดุร้ากขนาดไหนโหยัยอยจุดย้อยชั้นทันทั้นหมู่นชั้นองมันอี่จะปูนถึงนีจะใช้ประยขึ้นไปเท่าไหร่นี่ครับฉนั้มันภูเขาต้องลูกเต็มไปด้วยดินด้่หีนไงแต่นั่นยิ่งแต่ก่อนเมื่อปีนี้มันเต็มเลยกับท้องที่มันไม่เสียกไม่สัน ดูมั้งก็ดูแค่เฉยนั่งนั่นดูดูคนดูดูสถานที่ที่คนอาศัยที่คนพึงใจคืออะไรสั่นเงิ응งนทองเป็นสิ่งที่โลกพึงใจที่สุดดูตึงตึงตึง เหมือนคือเศษสันเอากระดาษ้นใส่เป็นเงินกระดาษเวลาหมดความเยิมเนียตมวยบุหรี่สูงเหมนเขียวจะตายอย่างนีเป็นเงินแท้ทองแท้มันก็เป็นแร่ธาี่เหมือนกันก็แร่ธาตุน่อย่างน้แสงแพาวาความิมันริงมากกว่านั้นนี่มันก็ไปนั่งเสียมันหากแก้มันเอเน่ยมันเต็มมนเคิดไปว่าเครื่องตอรับมันมาข้อมมาข้อมมันลบล้างลบล้างลบล้างเพราะันไม่ีอะไรเหมือนท นี่ยุดท้ายลงไม่ทำงานคือที่จะให้ปล่อยทาไปยึดนั้น น, นินั่นนั่ันนั่นไม่หลีกจากหลักั่นเท่าจะมันก็ไปยึดยึดทาไปดีแต่เครื่องยิงานมันบอกอย่างนี้มันแสดงใยจิตลอดเวลานี้มีบกพร่องยู่ไหนเวลา น, นีน่การอะไรเครื่อง <c oughs> <c oughs> องไปพูดอนยะ่างเขาทางนันทุกทีเขาโชว์แก่เล่าขึนอวดกันแสดงความเย่งแสบพอมีตา ม, รา ม, มาประกาศอวดกันมนุษย์มันทรมิตรเหมือนไม่มีของดีกว่านี้นีหนะนักเน่ยมันก็แก้เชไมนี่ของดีกว่านี้จะมาอวดทาไมเรื่องน้บ้าใครจินแตนมันก็เป็นบ้านะเอาของบ้ามาเสร็จมันเป็นของดีได้ ทำไม่ได้คนบ้ามันไม่ชอบนะโชว์เพื่อเล่า ย, ยเลยายุคถิ่นสดงการยิ้มแย้เแี่มใสเมือนจะหองจะบินาตามหกเราไม่ยกโทษยกก่อนไหวันพะิจาราประรรมมันจะก่อนเราจิตมันาเขาไเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะเผล อ, ขอเขาเผ อ, ขอเขาะ เ, เป็นบ้าจะเป็นบ้าขอมันออมา หนเกินนนดดูกลายแล้วเจ้าของเหมือนกันดูอย่างนี้กลายแล้วเจ้าของดูอันนี้นก็เห็นผิดอะไรกับนีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของัิร่าธรรมชาติจะยึดอะไรถืออะไรู้กับลู้อยู่นี้แหละอันนี้มันเ็อยู่นี้มันหาจะทราบเรื่องอเราหมัน่ีความรับผบ เราว่าหนังก็ไปให้ขึอนมันมันหาความรู้ไม่ว่ามันเป็นหนังเป็นผมเป็นขนเป็นเนื้เป็นฟันเนื้ออื่นกระดูกอวัยวะส่วนต่างเขาไม่รู้ตัวเขอื่นด้วยเขาไม่ทราบความหมายเขาด้วดไม่ทราบความหมายใครด้ยมันเป็นธรรมชาตินี่ถ้าจิดขนาดจีตก็รู้ธรรมชาติของเขสียก็ไม่ยืดนะดินไปทาง น, นั้น คืถ้ามันจะจะลมได้พื้นเดิมของมันเป็นดินเป็นน้านําปนลมลงไตามพื้นเดอ ง, ม, ม, งนะมันก็วงขนาดนะมันจะหมุนเดินจะมาดิ้อไปมันอดคิดไม่ได้เวลวนั่งคนเดียวนังจิตนย่มันจะสัมผัสถึงแล้วตอนล้วมันจะตามขึม้นมาจนกระทั่งเข้าใจแล้วสิ่งนมันก็กิ คือตามความหมายนีมีความดื้ออย่างเื่นแค่ไหนมัตามมาเห็นในสดต่างๆของธรท่าไหร่นันมีความหมายไหนนถ้ามันสัมผัสได้แ้มันก็ต้องตามเหนดูหนังสือเงินมัน่เพราะเข้าใจถือกระเป๋ไม่ได้ทุกตัวมันก็เข้าใจความหมายของสุดนั้นเพราะดูไปดูไมันเข้าใจความหมายแต่ท่องข้อถึงเราจะมา ถือเรานี่ไม่ได้เข้าไปในหลักวิชาสอบก็ตามก็มันหลักฐานมันใหญม่มันได้แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจถาพิชิตตัดใจว่าจบเคยแปลเป็นแบบในอื่นนนี้นก็เหมือนกันก็อ่านไปต้อเข้าใจแล้วเข้าใจ ก็จมันตื่นแล้วก็ท้อมกันรังแดงจะเป็นาอาการตัวดจะค่อยดูลูอั น, อ น, อนารที่สองเป็นโรคพี่กระปวดที่กระ เราก็อยากให้ตรวจแต่เชเหมืนมนอนเราไปผ่าเหมืนอนกันท่านเป็ น, นคน <c oughs> เป็นคนท่มันนอนมันสนใจเป็ น, นปแล้ว เ, เป็ น, ปน <c oughs> ไปอยู่ไม่ได้ไปเนี่ยเห็นหมผ่านเป็นไปว่ามันก็เหมือนกันตอ <c oughs> นนี้เห็นแล้วเองก็ม มีคนไปโฆษณาเงินเยอะหรมีผู้ใหญไม่หมายหมายบอกว่าเราภวยหนักบินหมัตไม่ได้มาฉันร่วมหมู่ก็ไม่ได้ต้องฉันยุคติองเดียวนี่นันก็เติมไปได้ทีที่เราไม่เคยยติครังนี้มันจะปูกสร้างมาผมไม่เคยไปฉันไ่หมยที่นั่นผมพูดได้ยากเติมปักผมไม่เคยไปฉันไมหายยุ้งนั้น ลัหนคงก็ไม่เคยจังเลวันนอกขับสบายมีสบายไม่น่าแล้วไปนอนนั่นมเป็ น, นอยู่ที่จิดใดถามนัน้นผูน้ใดที่เป็นผู้เหมาะสมในการมจฉาักถามมาเป็นข้อเป็นจุดมันเป็นอยู่ที่จุดนี้แหละ พลังให้เรป็นต่ขันานี้วไม่เป็นจีไหนอ่ใครทีเหมาะสมในการักษาไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราเราพทธิติชอบมาแล้วท่านจะอ้อนจะอกคุณท่านฝนี้แล้วสามอย่แล้วหรืว่ารางการนี้จะถูกข้องแตนไหนข้องกันอะไรเราหามาเยอะแยะรัาตลอดยังไม่มีผู้ใดที่จะหมาะสมยิ่งกว่า เจาของรับขายเาของเองเขาเจ้องเป็นผู้รับผิด้ของห้ายรงสัยนยาเป็นบอกอานตอบไปต้องมีคนคนเปนต้องมีถ้ไม่พูดเขาจะไม่พูดอาน้ออกมามาขึ้นมาเป็นนังพูดข้คน าคอิจแน่นอนเนะแล้วเนทจะไปเนนี่ก็นอเป็นอะกอเหมือนไม่มีโรคมันอ่อนนี้นั่น้อย่างไรน้าเดี๋ยวไปิวางมัน่นี่ยเป็นรมันไปแล้เนด้ป็นกัมันอยู่เวจริงมันจะไปเลยอ่ะไปไปสิก็เกิมานานแล้วเห็นมดแล้ดินฟ้าอากาศ สภาพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทางตาเห็นสมุทรยงกาใจนี่มันไผ่านมาหมดเลยสงสัยอะไรมื่ยแจ้งก็มีอย่างนี้ตั้งแต่วันไหนมาสว่างมาเมื่องเห็นสิ่งที่เคยเห็นเคยรู้แล้วะเราจะยิ่งกว่านี้มหนไม่มีนะไปนั่นอยู่ไปกี่กับขี่กันเขาเห็นจะได้อะไรพิเศษพิเศษขึ้น ย่กว่าเท่าที่เป็นอยู่นี่ น, นั่นคือหมายทีอถื อ, อ น, นั้นเป็นนั้นนี่นี่จิไใ่หมายนีมย้มันก็เหมือนไม่มีในโลกจิดในเจ้าตัวการทัําปันแก้คนมายาของกิเลสที่มันแทรกเขี่ยสิทธธรรมทั้งสิบมังคับเชี่อสิทธรรมทั้สิบนี่มีสำคัญมากต้องะชจิดกันอย่างหนัก ท่าปัญญ า, น, า, า, า, า, า, า, า น, นั้นพนนนิจราจรณาสุภาะิตความปฏิกูลสกโรกพอดีการประคามถนัดในแง่ใดของธรรมที่มีจำนวนมากที่จะเหมาะสมหรือรับประโยชน์หรืะเปล่ประโยชน์อนไมบ้างในท่าปันญามั้ม มันจำทุกขารณ์ตาอันใรที่เหมาะจะดิเราตอบพจจานมาหน้าให้สู่ร่างกายนีมีจำนวนมากมีหลายอาการอาการอะไรที่เป็นที่เหมาะสมขอาการพิจารณาหลายแล้วก็เ่าะสิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็คืนชาไปถึงเพื่อถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเสมอไปพอเข้าใจหนึ่งมันก็เข้าใจตลอดอันนี้ก็มีทําไม ยังใครเขาเขาเก็ดเหยียบย่ำทำงานนมันทุกข์จริมันขึ้นเลยก็หลักฐานบ้านเงินสมบัตเงินทองนี่มันมีอะไันขึ้นเลยกไฟเล็กมีมากน้อยขอมีแต่ะคความถึงไม่น่าตัดถึนไปทางติดต้งมีมากดูนี่้อยู่ตาดดีกว่า แ่าตัวตายก็มีมันเอาดีกว่ามาจางไงนจิตรวงนั้นตายมนแล้วก็คือจิตรงนั้นจิตดวงเปคืนไ ป, ไปแล้วมันจะออกเป็นน้ำแข็งมาานันอย่างไนถ้าไม่เจ้ามันเป็นน้ำแข็ ง, น, งนีน่มันจะร้ส้อที่นยงมันเนยนเนเหมือนแข็งใหให้ตัดจิตไปจนไม่มไไมขอบอหมดคุณค่าราคา เปไพโรธภาวนาภานาเป็นไงทุกวันเนี่ยมาอยู่ว่าตวันตากภาวนาเป็นไงฟังเทศเป็นยังไงออมาก็น่ได้นพ่อฮะแต่ไม่เคยเสียมิตรนนีมิตาย่ไรเราเห็นทุกวันเวลาลรืมอการที่มันมีแต่นิมิตเต็มไปหมด ไม่ฟูเขายิ้ทายวัตถุต่างๆรอบมองไปไหนมันมีเต็นิ่งๆเครื่องหมายของทางตาทางหูมีแต่สนใจเรามาดูยิ่งๆภายในจิตจะหมดเพลิงไปด้วยอำนาจปัตตธรรมคือความแผดเผาด้วยความเพียรดีตรงนั้น ไหนเปิดเท่าไงนเขาเปิดเปิดมืนเปิดเตาถานอะไร้าร้อนออกใช่ไหมมีบ่